ในข้างพูธตการในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายใน จ, ใจิตใจที่เรียกว่าพาระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอน และในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งทำทั้งพระวนันเป็นไปโดยอัดโดยทรรมล้วนวนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของ วิเศษ อ, อาสะวะประเภทต่างๆแม่น้อยจิงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจมีแต่ทำล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึด ได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแน่บางขาแขนงของพระในครั้งพุทธการที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะมาได้พบได้เห็นในตำรับตาราในเท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณ จึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกียนไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบและละและแหละมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำทมหรือเอาทม เป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกรื่นกายอันไดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้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 สตินั่นจะสร้จิตใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็าตามมาไถ่จองเหตุผลหรือด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจริงเป็นของสำคัญเห่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นกันใต้แก่สติ เป็นแกนอันสาคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความสิดต่อแห่งอัดแห่งทมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาในเ่พวกเราสวนมาก มีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของค่าสึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแหงสิ่งไม่ถึงปากท่านาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเหล่านี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกรปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจ เวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำติศกรกะปกถ้าเผลอมากเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออก ตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วที่ลึ <c oughs> ภายในนี้ก็าไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของจิตเด่นนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปกุก ที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุแห่งเห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกกระกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามน่ะเสียงไพระเพาะพิง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 ได้รับความเชื่อความร่มใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนตั้งหลายอย่างนั้นผลมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ฮะท่านทั้งหลายทราบประไว้ ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมมนุษของเราเวลานี้ในท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าเทียให้อุบาทสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมา ด้วยความตรงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสาคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนสูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนาะยิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนไหนที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามาก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 ครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเลื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเด่งขวัญขวายอุตสาหะพยายามประพฤปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้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 ลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสําคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดน้อยเอาอย่างง่ายใดพรอหลับ ไปเท่านั้นก็เผอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระหานผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนไหนเทพกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉียดเฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมป ร, ราศ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 สลับตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดรอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว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 อยู่ในอิเดียบทต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ตังค์ดิเราไม่พ้นที่ที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันทันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นตังค์ดินั่งสมาธิก็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 เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่มาเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างที่น้าพลิกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิน้นแล้วเราจะหวังอามรากผลพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเอยาบทใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจําหน้าที่ของตน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 แต่ไม่ใช่เป็นตีเลยตีเลยจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ splash, ้นท mm ี hmm. ่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบการมีสติฝึกหาตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเลื่อยมามิได้ขาดก็คือการผ่อนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มาก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 ความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นตรัสําคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเบี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลาบากเพราะการปุกทรมาณตนทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากทําก็ต้องได้ทาไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเคล็ดหลาบนั่นหน้าเค็ดที่สุดแล้วเค็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาโรคก็รก เอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นคลุขะก็ต้องผ่านไปคโคตโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลําบากาอะไรแต่ก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเฉลิบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของจิเล็นี่เมื่อเป็นเชนนั้นก็ต้องทุก เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดชัดทไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลส จ, จะไม่เคียดไม่แค้นหนีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมักที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปหนัก่นพากันจำเอาไว้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 ผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี้ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี่ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำหนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้เด็กรับความทุกข์แล้วําเป็นความเฉี่ยหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุก กับอนุกเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนั่นความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลส น, นั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุ่มหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกบนี่แหละเนี่ยไม่มากก็น้อยก็เป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลส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 ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็าตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสตังคกิเแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสของตัวแสดงจะ แ, แสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทําไมจะไม่เห็นโทษของใหม่ของมันทําไมจะไม่แก้มัน แต่ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก่อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลําดับลําดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสําคัญขอให้ได้ไดําเนินไปสู่ทำที่เหนือกิเลสจะยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็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 นอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันปิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลาดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนีะ่นะท่ า, านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไวการไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเอง ด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมากจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าแสงหน้าทำไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมายก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากทา มันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้เนี่ยมันต้องได้นามาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องเลยนามาใช้อยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงต้องเลยสังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัย คือแต่จละลัจจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันภายในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนํามาใชา้ได้ผลประการใดนั่นแลคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชชิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชรําระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชชิมา พอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัจจิมาปฏิบัตาท่านดําเนินอย่างไรในข้างพุทธการเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเหลนเราอย่างข้างพุทธการส่วนมากที่เป็นผู้มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่าง เพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมผมล่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชชิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชจิมาของท่านก็ใช่อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียวกว่มามัชจิมาจะ เรียกว่ายังไงกิเลสทางลงไปในขณะนั้นได้สําเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชจิมาของท่านแต่เราจะนํามาใช้เอามัชจิมาของท่านมาใช้เป็นมัชจิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกหนักเราต้องแยกต้องแยกเอามาใชา้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชจิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบาง หมดหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางคะแนแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบทะลอกปอกเปิดจกเป็นตัวไม่มีเนื้อมีหนังกิดตัวนั่นเหลือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสแบบเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้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 ท้งเด็ดต้องเกียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเล่มันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนํามาทันทีนั่นแหละคือมัชชิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคําว่ามัชชิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี้ก็เป็นมัชชิมาของเราได้ผลเช่นนี้ เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับสนริญนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกเทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเนี่ยเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือก เ, เย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกเนี่ยจิตเป็นสมาธิมีความเยือก เ, เย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิมีบับงคับเข้าใส่ เช่นอย่างยกตัวอย่างจะคําบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ที่ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คําบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคําบริกรรมม น, นี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตานี่ก็เป็นมัชจิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือ ม, มันยังจะชอบคิดเป็นทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียวกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมัน จนเกอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชชีมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นขั้นเมื่อจิตมีความสงบเยี่อเกินแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนํำทำประเภทใดที่จะทําจิตที่เสริมจิตทั้งเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคํว่า ม, มัชชีมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานต่อไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้น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 กลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลืคล่นในทะเลมันไม่ได้เรียบแน่นล่าอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแต่ต้องมันผิวทะเลน้ําทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆน่นว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นามามีอาหารเข้ามา อยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสหรือเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมขึ้นกระทบกักระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะใช้มัชจิมาแบบไหน บ, บังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชจิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่เรากิเลสมันมีหลายคลื่นหลายต่อเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัจจิมาปฏิบาาัติทาเดินทางสายกลางสายกลา ง, าลางมาใชา้ไม่ได้ เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะเหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการทำละหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้อง น, นำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเร่าเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดูในปฏิบัติทาาเครื่องอํานินของตอนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิอมไป ฝันไปละเมอไปทั้งๆ ท, ที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นตะท่องวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอยา่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพผานนอกจากเหตุที่แม่นยําในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นแหละเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยํามีสติสตังเป็นเครื่องกํากับรักษาตนนี่แหละเดียวกับเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบ ค, คือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญา เรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิม่มอารมณ์พอประมาณไม่ทะเลาฉลายเรื่อ่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นําจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิษฐพิจาครณาค่อยควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้มีนาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยบไข่พิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกอง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 ในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินหนังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกขโดยประการทั้งทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบ ก, กองทุกอยู่ทุกภบทุกชาติทั้งมหันตทุกก็เราเป็นผู้รับเมาเอาหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในรกมันก็ไปเกิดอย่า ง, างไรไปเกิดเป็นจากหนโลกว่างไง เนี่ยมันออกจากความเกิดความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขั้งนัตถิอชาตัดสัทุกจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้น<ฮ>นั่นอ่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนลากแก้วคือวิชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันลากฝอยลากไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนมันตั้งถึงลากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้น เรื่องของพบของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็คลิดหายไปได้ถ้าอภิชาปัญญาถูกถอดถอ น, นออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทําให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานรับทานเช่นอย่างช้อนช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่อะคําแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นแล้วก็รู้นี่ เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมปัดสั้ำพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองและอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิม่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนการการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทําอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรๆหิวโหวยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอภิชาปัญญาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัำหานั่นว่างไง วิชาไม่ให้ไม่อยากจะให้อะไรเราไปว่าแต่ตั้หาหาตั้หาก็ออกมาจากอวิชาเป็ น, ขนแขนงเดียวกันของวิชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ถากกับขี้ก็เข้าถึงแก่นเนี่ยเอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของจิเลธทั้งหลายก็คื อ, อวิชาเนี่ยกับเพียมันก็กระจายออกมากิ่นแขนง ข, นงขนงองมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่นแขนงของอวิชาทั้งนั้น ทาหงหูจมูกเลี้ยงกายเป็นจริงเป็นกระแหงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัญหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นนั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบคือฝันอย่าง น, นั้นฝันอย่างนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึง่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นนฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นองั้นตลอดนี่ Actually, off, เราจะทําอย่างไรเวลานี้แล้วแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือครางกิเลสเมื่อแบกครางกิเลสก็คือแบกกองทุกเรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกถ้าจะแบกกองทุกก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแก่จิตแกใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกออกจากหัวใจหรือเปลื่องทุกจากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกัน ถ้าเราไม่อยากทําอย่างนั้นเราก็ต้องทนอย่างนี้แล้วอย่าบน่นทุกข์ก็เป็นก็เรื่องของเรา ก, ก็ก็ต้องแบ่เหมืนนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้เอาไฟมา่กี้อลองดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไฟไม่ร้อนเรามันจะตายอย่างทจว่างไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้ผู้รับทุกข์มันจะตายอืมจะว่างไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะ เธอจะทูนเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรานู้นหมล่ะไม่รู้จะทํำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการแจร้งแสดงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไดนําหลักเกณฑ์ของครูของอาจารยท์ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนําไปพืป้ปฏิบัติ อย่าไปแบบเร็วๆไหลายๆไปอยู่ก็อยู่เล็วๆหลๆไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครั้นอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีถ่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอว่างั้นครูบาอาจารย์ตั้งสอนว่าไง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 แล้วมันจะหาความสงมบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีุ่งสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่ฮาร์ดตำหนิติเตียนหมูเพื่อนนะท่านมาแนะนํน า, นาว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนําต่างสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสารพัแปลว่าพลาดย่อมฝากเนี่ยมันสียักษ์สีขี้มันมันย่อมอะไรนั่นฟังสิ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 แล้วก็ต้องสละปัดที่บางดีนอกจากไม่ทราบมันก็สูญสิสัยก็ทํามาตามเห็นครูไดอ้อาจารย์เห็นเปลื่อยเห็นสูงทํามาก็ทํามาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชัว่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องในงานขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ไม่ควรเสียดายในที่ถิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิื่อนโดยตรงไม่มีคําว่าอ่องตั้งใจเอาพฤ่อปฏิบัติ หเห็นเหตุเห็นผลทำมาองค์พริเจ้าประกาศกาศังวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอดในธรรมที่จะนํามาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนนทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเแต่กิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสําคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ ดีดเด่ยอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของทำฟัดกับกิเลสเลยนี่ยเราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุโทโธมาจากไหนหวังเอาความถูกความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีจใจใจที่จะทําความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกตั้งแม่นยํำนะมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติ แบบแผนตํำรับตําลาท่านก่แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตํำรับตําราเราท่องบนสังวัตรยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนนี่นี่แหละทําเครื่องคฆ่่องากิเลสสดสร้อนรอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนผ่านในหัวใจของเราเนี่นแหละถ้านํามาแก้แก้ตรงนี้ไม่มีการสร้าหม่ที่ไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัด ทำมาวุฒทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่าทําลายเผาหัวใจคือยั่งรุ่งวันยั่งค่าทั้งตั้งกับทั้งการมาไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันติตจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็กทำนี่หมดหมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวล่ำเวลาแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วเพระพุทธเจ้าพระนิพผานนั้นนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้นักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติผู้พูดเช่นนั้น มันปล่อยให้กิเลสเยียบหัวมันหยุดออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นเองนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้พ่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเรียนสามั่งตนเพราะกิเลสเยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครที่อยากฟังออืหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังไร หัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ขนาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบชิเล็ดเยียบลงไปจนที่ทะลักออกมาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพทย์ขนาดตัวขี้ทะลักทั้งเลยแล้วามาการประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่า ก, กันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานทำนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไหล พระพุทเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ทำธรฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศตัวว่าลบล้างธรรมมามากกว่นี้ผานไม่มีนั่นตัวจองโง่ที่สุดนะมันเหนือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเริ่งเหนือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของท่านนี่เป็นเพศที่เลิอแล้วนะ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 มันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไง ท, ที่พูดเวลานี้ชาบไหมว่ากิเลมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ทํา อ, อ้จริงแค่จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กําลังเห ล, แลวแหละไปทุกวัน ท, ทุกเวลาเวลาแล้วนะกรรมาฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพปฏิบัตินะความตั้ง อ, อกตั้งใจที่ท ได้ตั้งมาตะเกี่ยวตะการมานั้นะ่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ําทําลายไปหมดแล้วนะโลกามิศ ก, กาโลรปุริสังหันติราบส ก, กาลามันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุนริงานแต่ผมเห็นชัดๆานี้ดิปลาตายเพราเหยือ่ออ่อปลาโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตาตายเพราะความโง่เพราะความเห็นจะโลกามิศดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงไปอย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผนิพพานดีกว่า กว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุได้สิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทํำลายหัวใจได้บ่าอันนี้เป็นที่เป็เครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยปัจจัยเครื่องอาศัยด้วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอย่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านรงสอนลงก็สอ น, ล ง, สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากทีเละทั้งหลายที่มันเหยียบย่าทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทิเละจะเป็นอะไรไปหลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นหพักกันจํา มันจะหมดแล้วนะวงกรรมาฐานเวลานี้เป็นกรรมาฐานหากินกันนั้นนะมันเป็นแล้วนั้นเวลานี้เป็นกรรมาฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี่อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครัวอาจานไปประกาศขายกินอีกช่วยาขายหายขายกินหากินได้ง่ายเอาครัวอาจารนไปขายพักกันจำ้ำล่างไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรสะพายย้าย่ําดีไม่ดีอนั้นเรื่องเงินจะเต็มย่านะ มันจะเป็นขนาดเดี๋ยนี้น่นนะหรือเป็นนี่เราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นหรืเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วนต้นขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ขรูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขว้างไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทั้งนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและพูดจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเอง ถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็นด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเแิดถ้าลงมานจด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางแหละพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการพระผูนิพพานเชื่อพระเจ้าพุทธทางธรรมสันนิชานนี้อยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามระผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นปัีจเท่านั้นไม่เป็นของทั้งพันอะไรเลย เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุม่งสต้มมรรคผลิพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคนิพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนถ้าเป็นประเภทไหนเอาสิฟังสิก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วมสี่สิบปีแลนน้วนี่ผมจะ อ, อะไรมาเทศนางนานทนเอาอยู่ก็หมูก่กบเพื่อนคุ้มก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี้ไม่อยากจะเล่นกับอะไร คองทา่าคของขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่ไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงท่าขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเขา อ, อีกออ응ืเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนนุบาตต่างๆพูดอะไรก็มาเกี่ยวข้องกันตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ ม, พ ม, พ ม, พมใหหนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ยน่นชีวิตใจิตใจความอยู่เข้ามาหมดสันเข้ามาอีกเหมือนกัน ไม่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคิยปฏิบัติอละการเที่ยงๆนั่งคุมควร